นีสสกันยาบางคนก็เรียกวันนี้ว่านะวันถอดหัวโขนที่เลนะนั้นก็เพราะว่าเป็นวันที่หลายคนนะก็จะต้องกเกษียณอายุราชการอายุครบห0สบนะก็ต้องอ่าออกจากราชการไปเมื่อถึงวันนี้ นั่นก็หมายความว่าตำแหน่งฐา น, นะที่มีอยูนะ่ก็จะต้องสิ้นสุดนะไม่ว่าจะเป็นประหลักระทรวงอธิบดีหัวหน้ากองผู้อำนวยการบางคนก็เป็นมาผู้บัญชาการเหล่าทัพนะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็เป็นอันว่าจะต้องยุติลงหลังจากวันนี้ไปตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยก็เปลี่ยนมากั็หัวโขนซึ่งเมื่อถึงวันก็ต้องถอดหัวโขนและวันนั้นก็นะก็คือส0สิกันยาหรือพ้นจากวันนี้ไปก็เป็นวันที่ จะทำให้หลายคนได้เห็นความจริงนะว่าที่มีคนแห่แหนห้อมล้อมเราไปไหนก็มีคนตั้งแถวต้อนรับนะมีลาบมีศักการะถึงวันเกิดก็มีของขวัญมามากมายมีรถบประจำตำแหน่งนะนะมีที่ทำการที่สวยงาม มีอำนาจมากมายหลายอย่างแท้จริงแล้วนี่มันเป็นเพราะหัวโขนที่สวมใส่นะไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราเองเพราะว่าพอถอดหัวโขนนั้นนะเป็นราชสตรเต็มขั้นหรือราชสตรธรรมดาก็จะพบว่าลาบสักการะนะคำชื่นชมสารเสริญบริษัทบริวารที่เคยห้อร้ลอม ก็หายไปหมดนะหรือว่าเหลือนิดหน่อยมันไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราไม่ใช่เพราะเขาชื่นชมในตัวเราแต่เพราะว่าเขายําเกรงหัวโขนหรือปรารถนาผลประโยชน์นะจากหัวโขนที่เราสวมใส่อันนี้ก็เป็นสัจธรรมหนึ่งที่คนจํานวนมากจะได้เห็นนับจากวันนี้ไปเราก็จะได้เห็นด้ว่าหัวโขนนี่ก็เป็นของชั่วคราว มันไม่ได้ยั่งยืนน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้ใครที่ถอดทั่วโขนไม่ได้ก็คือในใจนี้ก็ยังยึดว่าเนี่ยฉันเป็นปรลักกระทรวงอธิบดีเป็นผู้ว่าเป็นแม่ทัพเนี่ยถ้ายังวางไม่ได้ก็จะมีความทุกข์นะ ที่จริงเรื่องการวางหัวโขนเนี่ยมันไม่ควรจะวางเฉพาะเมื่อถึงวันที่30กันยาหรือกเกษียณจากราชการนะควรจะวางอย่างสม่ำเสม อ, อยกตัวอย่างเช่นนะเวลาเลิกงานเนี่ยนะเวลาเลิกงานก็ควรจะเป็นเวลาที่จะวางหัวโขนเพราะว่ามันหมดหน้าที่การงานในวันนั้นแล้ว แต่หลายคนเนี่ยแม้เลิกงานไปแล้วเช่นเวลาไปเที่ยวก็ยังแบกหัวโขนนั่นเอาไว้และเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยคาดหวังภิสิทธิ์คาดหวังการได้รับการดูแลอย่างพิเศษพอไม่ได้ก็มีความทุกเกิดความโกรธอย่างเช่นมีเคยมีนายตำรวจใหญ่นะท่านหนึ่ง เลิกงานก็ไปกินอาหารในพัตตคารพัตตคารนั่นก็มีลูกค้าแน่นมากใช้เวลา น, านานกว่าจะได้อาหารสั่งไปแล้วก็ยังไม่มาสักทีก็โกรธนะไปเรียกผู้จัดการมดาด่าบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นใครเนี่ยคืออันนี้เราว่ายัางไม่วางหัวคขนนะ ้เวลากินอาหารเนี่ยมันเป็นเวลานอกราชการแล้วัวโขนนี่ก็ต้องวางพอถ้าไม่วางนี่ก็จ ะ, ะไปสร้างความทุกข์กับผู้คนตัวเองก็ทุกข์ด้วยนี่เราเจอบ่อยนะ่างทีขับรถไปเที่ยวแล้วก็รถติดนะก็ต้องการอภิสิทธิ์นะเพื่อว่าตัวจะได้อ่าไปได้เร็วขึ้น พอตำรวจเรียกก็อ้างว่าเนี่ยเบงว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเป็นใครกูเป็นใครเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินบ่อยนะคำพูดแบบนี้รู้ไหมกูเป็นใครขนาดไปเที่ยวพับเที่ยวบาร์ก็ยังมีคำเหล่านี้อันนี้เลยว่าไม่รู้จักวางหัวโขนในเมืองนอกนี่นะเขารู้กันนะขนาดเป็นรัฐมนตรี น, นะเวลาเสร็จงานนี่เขาก็เหมือนคนธรรมดาเวลาไปเดินเล่นในสวน หรือว่าเวลาไปจับจ่ายนะเขาก็ทำเหมือนกับประชาชนธรรมดาไม่มีอภิสิทธิ์ก็ต้องเข้าคิวนะต่อแถวนะเวลาไปซื้อของในห้างคนเหล่านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะอยากได้อภิสิทธิ์นะแต่ว่าสังคมไม่อนุญาตนะเพราะสังคมเห็นว่าเนี่ยเมื่อคุนะออกมาจากหน่วยงานแล้ว หมายความว่าเสร็จงานแล้วคุณมาซื้อของคุณมาช้อปปิง้งเนี่ยคุณเป็นคนธรรมดาแนละคุณไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ปลรรัดกระทรวงจะมาอวด เ, วงเบงเลือกพิสิ์ไม่ได้อันนี้เป็นเป็นมาตรฐานของสังคมที่เขาเจริญแล้วนะเขาก็ไม่ได้นับถือผุดนะแต่เขาก็รู้ว่าหัวโคนนี่นะมันต้องรู้จักวางแลนะไม่ใช่วางเอาตอนกเกษียณ น, นะ ในวันวันหนึ่งก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสวมใส่เมื่อไหร่ควรวางเพราะถ้าไม่วางแล้วมันก็ทุกข์ที่คนอื่นเขาไม่ปลนเปล่ไม่แหพิสิทธิตนะ์ตามฐานะตำแหน่งที่ตัวเองมีซึ่งมันก็เป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเป็นของทีนะ่ไม่ได้มีตลอดฐานะตำแหน่งนี่เราก็เรียกัวกโขนแต่ว่า หัวโขนนี่มันก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะฐานะและตำแหน่งน ะ, ะคำยกย่องคำยกย่องมันก็เป็นหัวโขนอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งก็ต้องรู้จักวางด้วยยังมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะเขาเป็นได้รับเชิญให้ไปพูดตามที่ต่างๆมากมายเป็นวิทยากร ที่มีงานตลอดทั้งปีตั้งที่ไม่ใช่เป็นงานประจานะเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิทยากรระดับชาติแต่ว่าเขาเป็นคนที่หนะวีผมไม่ค่อยเรียบร้อยนะทุกเช้านี่ภรรยาก็จะทักว่าให้หวีผมให้เรียบร้อยหน่อยนี่วันหนึ่งอารมณ์ก็คงไม่ดีมั้งแต่เช้านี่พอถูกภรรยาทักเรื่องหวีผมนี่ เขาโกรธเลยนะในใจนี่เขาพูดขึ้นมาว่าเนี่ยมาพูดกับอย่างนี้กับฉันได้ยังไงฉันเป็นวิทยากรระดับชาตินะนะแต่ดีที่เขาไม่พูดออกมาให้ภรรยาได้ยินไม่งันก็เป็นเรื่องไอ้วิทยากรระดับชาตินี่ก็หัวโขนนะเป็นคํายกย่องหรือว่าเป็นคําที่ผู้คนนะเข า, าสารรเสริญ ซึ่งก็อถ้าเอามาใช้ไม่เป็นนะมันก็จะแบกแม้กระทั่งมาบ้านแล้วเนี่ยมาบ้านก็ยังแบกบนะความเป็นวิทยากรระดับชาติเอาไว้ที่จริงพอถึงบ้านก็ต้องวางนะมันเหลือแต่ความเป็นสามีนะหรือว่าความเป็นพ่อแต่พอยังแบกเอา วิทยากรระดับชาตินะมาถึงบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องแล้วนะพ่อคนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยนะภรรยาก็ไม่รับรู้ด้วยนะลูกก็ไม่รับรู้ด้วยนะเขาก็ปฏิบัติอย่างพ่อปฏิบัติอย่างสามนะีอันนี้ก็เลยว่าไม่รู้จักวางหัวโขนนะคุณวุฒิเนี่ยนะที่ได้รับเนี่ยนํามาซึ่งคํายกย่องนี้ก็เป็นหัวโขนอย่างหนึง่งนะเช่นด็อกเตอร์เนี่ย แต่ว่าหลายคนนี่พ อ, อพอได้เป็นด็อกเตอร์นี่ก็แบกความเป็นด็อกเตอร์ไวนะ้เวลาจะไปพูดแนะนำตัวเองก็จะอ้างก็จะพูดฉันเป็นด็อกเตอร์อย่างง้นอย่างนี้บางทีไปงานเลี้ยงของเพื่อนนี่ก็ยังแบกความเป็นด็อกเตอร์ไวนะ้ทั้งที่พอไปงานเลี้ยงแล้วนะมันก็มีแต่ความเป็นเพื่อนนะแต่บางคนยังแบกความเป็นด็อกเตอร์เวลาจะแนะนำตัวก็แนะนำว่าเป็นด็อกเตอร์ แนะนำในที่ต่างๆก็เป็นด็อกเตอร์เนยเดี๋ยวนี้พาพก็เป็นเงินเยอะนะจะเห็นมีมีพระหลายรูปเยนยะก็จะเอาคำว่าด็อกเตอร์นี้นะพ่วงไว้ข้างหน้าชื่อพระมหาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พระมหานะอันนี้ไม่รู้นะว่ามันคือหัวโขนอย่างหนึ่งนะซึ่งบางทีก็ไปไปแบกมันเอาไว้ แทนที่จะปล่อยแทนที่จะวางของพวกนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่สังคมเขามอบให้นะเราก็ต้องรู้จักใช้ก็คือว่ารับเอามาแต่ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นเราเป็นของเราหรือว่าไม่แบกมันเอาไว้ตลอดเวลาอย่างหลวงพ่อพโตเนี่ยนะท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์นะ แต่ท่านก็รู้ดีว่านะ่ะนั่นคือหัวโขนนะถึงเวลาท่านก็ใส่นะพอไม่ถึงเวลาหรือว่าไม่ใช่เวลาท่านก็ถอดนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะท่านรับนิมนต์นะไปเทศไปงานแถวราด บ, บุรณนะต้องเข้าต้องพายเรือเข้าไปในคลองเล็กแปลว่ามันเป็นช่วงน้ำลดแล้วคงเป็นหน้าแรงด้วยเรือติดนะ ลูกศิษยก็ลงมาเข็นเรือเข็นไม่ไหวหลวงพ่อโตลงมาช่วยเข็นด้วยชาวบ้านก็เห็นก็ก็ตะโกนกันเห็นไม่ของแปลงสมเด็จ เ, เข็นเข็นเรือวุ้ยสมเด็จเข็นเรือว้ยหลวงพ่อโตท่านตะโกนกลับไปว่าเนี่ยฉันไม่ใช่สมเด็จจ้าฉันชื่อครอโตจ้าสมเด็จอยู่บนเรือนะเชื่อไปที่พัดยดเนี่ยอคือท่าน เวลาไปงานนะท่านก็สวมหัวโขนไปคือสมเด็จนะแต่เวลาเข็นเรือนี่ท่านวางเลยนะเพราะท่านก็รู้จริงๆในสมเด็จนี่เป็นแค่ของสมมตินะถึงเวลาก็ต้องลงมาเข็นนะเป็นครัวโตรธรรมดาเวลาพระนี่ทะเลาะ ก, กันในวัดนี่จะต่อยกันแล้วนะท่านห้ามเท่าไหนไม่เชื่อนะท่านก็ไปเอาดอกไม้ทูบเทียนมาเลยนะแล้วก็มากราบ มาคลาบผ้ า, าเรานั่นเลยบอกว่าพ่อเก่งจังพ่อเก่งจังนะฉันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยไม่มีความสําคัญมั่นหมายในความเป็นเจ้าอาวาสหรือว่าเป็นสมเด็จเลยนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักนะรู้จักใช้หัวโขนนะหัวโขนนี่มันก็มีประโยชน์นะถ้ารู้จักใช้อย่างที่บอกไว้แล้วหัวโขนนี่เป็นสมมตินะสมมติมนี่มันมีหลายอย่าง ความเป็นนั่นเป็นนี่ความเป็นคนไทยนะเป็นเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพ่อม่านะเป็นกรเรียงเป็นพ่อเป็นแม่พวกนี้ก็เป็นสมมตินะอ่าซึ่งเราก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นพราะถ้าเราไปยึดติดมันเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะ มันมีเรื่องว่าไม่มีเรื่องเล่านะว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะเป็นเด็กประถมนะครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ก็เล่าถึงการสู้รบความเป็นศัตรูกันระหว่างไทยกับพมา่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยพม่านี่เป็นศัตรูกับไทยมาช้านานเรียกพม่าว่าพมา่าฆ่าศึกนะเป็นศัตรูกันมานานอาจารย์ หรือครูเนี่ยเวลาสอนก็นะก็สอนให้นักเรียนเนี่ยนะเกลียดพมา่าเราเป็นศัตรตูของเรามาชาตานานนักทีฬงฟุตบอลก็เป็นศัตรตูกันนั่นเด็ ก, ก็ฟังแล้วก็เชื่อนะพอเลิกเรียนก็เล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งสมมุติกันนะว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นไทยอีกคนนึงเป็นพมา่า แล้วก็มีการสู้กันต่อยตีกันหรือว่าปะทะกันวิ่งไล่ล่ากันเพรากว่าเด็กเนี่ยคนหนึ่งที่เป็นพมา่าเนี่ยสมมุติเป็นพมา่าเนี่ก็ตกลงไปในหลุมนะหลุมลึกด้วยเด็กคนนั้นก็ขอให้เพื่อนที่สมมุติเป็นไทยนี่ช่วยไอ้เด็กที่เด็กคนนั้นกลับไม่ช่วยบอกว่ามึงเป็นพมา่ากูไม่ช่วยมึงนะแล้วก็กลับบ้านไปเลย เด็กคนนั้นอยู่ในหลุมเนี่ยก็อยู่ในหลุมเน่นานนี่นะทั้งคืนเลยพ่อแม่เห็นลูกไม่กลับบ้านก็ร้อนใจนะก็ตามหาดึกเลยจึงรู้ว่าลูกเนี่ยตกอยู่ในหลุมและพอฟังเรื่องราวเนี่ยก็โมโหโมโหเพื่อนอีกคนหนึ่งนะว่าทำไมไม่ช่วยนะเพื่อนตกไปในหลุมเด็กคนนั้นเนี่ย ที่ไม่ช่วยนี่ก็บอกว่าอา้าวก็ครูสอนไงว่าพม่านี่เป็นศัตรูของไทยนะแล้จะช่วยมันทําไมผู้ใหญ่ก็ดา่าเด็กคนนั้นใหญ่ว่าอันนี้มันสมมุติเนี่ยไปจริงจังกับมันทําไมนะมันสมมุตินะเด็กก็งงเลยเอา้าวก็ครูสอนอย่างนี้เลยว่าพม่านี่เป็นศัตรูกับไทยนะขณะที่เรื่องนี้มันก็นให้ง่คิดนะขณะที่ พแม่ขณะที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่เนี่ยว่าเด็กว่าเนี่ยไปติดกับสมมุติทําไมนั น, นเป็นเรื่องสมมุตินะพะม่าทไทยนะไม่รู้จักวางแต่ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยกักบยึดในสมมุตินะก็คือว่าคนพม่านี่นะเป็นศัตรูกับไทยนะมาเวลามาหากินในเมืองไทยก็มีวความรู้สึกลังเกียจชิงชังก็หาคิดไม่ว่าอันนี้ก็สมมุติเหมือนกันนะ ที่ผู้ใหญ่ไปว่าเด็กว่าไปติดสมมุติแต่ผู้ใหญ่ก็เป็นนะบางทีก็เป็นแบบที่เรียกว่าถอนตัวไม่ขึ้นไปว่าเด็กว่าไม่รู้จักวางไม่รู้จักวางแต่ตัวเองก็ยึดมากอันนี้เป็นสมมุติที่คนไม่ค่อยตระหนักนะแล้วพอใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ทําให้เกิดความเป็นแบ่งเขาแบ่งเราเป็นศัตรูแต่ถ้าใช้เป็นนะมันมีประโยชน์นะสมมุติเนี่ยหลวงพ่อพุทธันยโยท่านเล่า ว, ว่าเนี่ยเคยไปจํารรษา นะที่อุบล น, นะสมัยท่านยังเป็นหนุ่มนะตอนหลังท่านมาสร้างวัดป่าสารวันที่โคราวันหนึ่งท่านก็บินธบาทอยู่ก็เห็นนะผู้หญิงคนหนึ่งกับเด็กคงเป็นลูกชายนะอายุประมาณสักห้าขวบยืในใส่บาทอยู่ท่านก็เดินไปรับบาทบอกว่าเดินไปไม่ทันไรเนี่ยก็จะถึงละเด็กเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอแม่นพัดด อ, อกมึงบอแม่นพดด อ, อก โอ้ท่านฉุนเลยนะท่นเด็กคนนี้มาว่าท่านอย่างเนี้แต่ว่าท่านมีสติไวนะพอรวกมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะนั่นก็มีความคามิดนึงผุดขึ้นมาในหัวท่านเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นภระเราต้องไม่โกรธเพอได้คิดแบบนี้นี่ท่านความโกรธหายเลยนะท่านก็ ไปรับบาตนะจากแม่ของเด็กโดยที่ไม่ได้รู้สึกนะขุ่นเคืองแล้วก็ไม่ได้โกรธเด็กด้วยตอนหลังเนี่ยท่านก็พูดถึงเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ของท่านคือที่ท่านพบผู้วันเนี่ยนะคิดในใจาเออเราไม่ใช่พระเป็นพระต้องไม่โกรธเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าท่านก็ใช้สมมุติให้เป็นนะความเป็นพระนี่ก็สมมุตินะที่แรกท่านติดสมมุติแล้วก็โกรธที่พระไอ้ที่เด็กคนนั้นเนี่ยหาว่าท่า น, นไม่ใช่พระ เราเป็นพระจะมาพูดกับเราแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือการติดสมมุติแบบทำให้เกิดทุกข์กูเป็นพระเน่ยพูดกูแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้ติดสมมุตินแล้วมันก็โกรธเลยแต่ถ้าใช้สมมติให้เป็นเออใช่เราเด็กมันพูดถูกนะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ควรคิดแบบนี้นะเวลาลูกเนี่ยเถียงเนี่ยหรือว่าลูกใช้คาที่ไม่สุภาพเนี่ย ถ้าหาว่าใช้ความเป็นพ่อแม่ไม่เป็นนะกูบอกมาพูดอย่างนี้กูได้ยังไงกูเป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าคิดอีกแบบนึงว่าเออมันพูดถูกนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่จริงเราต้องไม่โกรธนะอันนี้มันก็เตือนใจให้คลายความโกรธนะอันนี้เราใช้สมมติเป็นเดี๋ยวนี้เราติดเราใช้กัไม่เป็นนะถูกมันใช้นะก็เลยติดยึดกันมาก คนที่เป็นพุทก็เกียดชังอิสลามนะคนที่เป็นไทยก็เกียดชังพมา่านะเกลียดชังโรฮินญาเนี่ยจริงเนี่ยมันเป็นสมมุติเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเกียดชังแนละไม่เกิดความทุกข์พูดถึงสมมุติเนี่ยนะอย่างที่บอกนะไอความเป็นความเป็นไทยเป็นพม่าเนี่ยก็สมมุติ ความเป็นในกรในขอนี่ก็สมมตินะแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์คนสัตว์นี่ก็สมมตินะความเป็นตัวกูนี่ก็สมมตินะพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้มองทะลุสมมตินะไม่ติดสมมุติและมองเห็นความจริงอย่างเช่นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าสมศักดิ์สมทรง พิชัยเนี่ยนะแต่และคนนี่ก็มีชื่อเรียกต่างกันนะแต่โดยปรมาหรือโดยความจริงแล้วนี่ก็มันก็เหมือนกันนะ่คล้ายๆกับเวลาเอาคนต่างชาติต่างภาษาคนไทยคนพนมา่าคนคริสคนพุทธเนี่ยนะมาเอ็กซเรย์เนี่ ย, นะ เ, ยเวลามาเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์นี่มันไม่เห็นเลยนะมันไม่มอง มันไม่มองว่าใครเป็นพุทธใครเป็นคริสต์ใครเป็นไทยใครเป็นพม่ามันมองทะลุนะเห็นแต่ร่างกายนะจะเป็นใครก็ตามพุทธคริสต์อิสลามนะไทยพม่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยร่างกายเหมือนกันหมดเลยเครื่องอิสเลย์เนี่ยมันเห็นแต่นะว่าเห็นแต่ความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้คนทั้งหลายก็คือเห็นปอดเห็นตาเห็นไต มันมองทะลุเสื้อผ้ามันมองทะลุสีผิวมันมองทะลุเพศหมดเลยไอ้การที่เราพัฒนาจิตจนเกิดปัญญาเห็นความจริงระดับปรมัท ธ, ธรรมเนี่ยมันก็ ค, คล้ายกันนะคือเป็นการมองทะลุสมมุตินะจนเห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมันก็มีแต่รูป ก, กับนาม หรือมีแต่ขันท่าการมองชีวิตว่าเป็นขันท่าหรือรูปนามเนี่ยมันคล้ายๆ้กับการมองของเครื่องเอ็กซเรย์นะเวลาเอาใครเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันไม่สนใจเลยนะมันมองทะลุนะความเป็นสมมุติของผู้คนไม่ว่าจะสมมุติโดยเพศไม่ว่าสมมุติโดยชาติโดยศาสนา จะเป็นคนรวยคนจนมันเห็นเหมือนกันหมดก็คือเห็นร่างกายที่ประกอบด้วยอวัยวะสาในิบสองอการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะเราต้องมองให้เห็นถึงความจริงคล้ายๆทำนองนั้นนะคือมองทะลุสมมุติว่าทั้งเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีสัตว์ไม่มีคนนะมันมีแต่รูป ก, กับนามนะมีแต่ขันธ์ จะเป็นนายกนายข อ, ขอก็ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันมีรูปแล้วก็มีนามอันนี้เรียกย่อยๆแลการปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติเพื่อได้เห็นความจริงนะขั้นพื้นฐานก็คือรูปกับนามนะสตินี่เป็นเป็นตาในนะเหมือนกับเหมือนกับตาเอ็กซ์เรย์นะสติเหมือนกับตาในเป็นตาเอ็กซเรย์ที่ทําให้มองทะลุ ให้ความเป็นตัวกูนะซึ่งเป็นสมมุติแบบหนึ่งเนี่ยมองทะลุสมมุตินะจเท่าไปเห็นความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคือรูปนามกายใจหรือว่าขันธ์ห้าถ้ายัางมองไม่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่ายังติดในสมมุติอยู่นะแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เพราะมอไม่เห็นความจริงขั้นขั้นพื้นฐานนะก็เลยเห็นแต่สมมติเห็นเป็นในกรในขอ ผู้หญิงผู้ชายนะไทยพมา่าพุทธคริสเนี่ยอันนี้เรียกว่ายังไม่ได้เห็นความจริงนะอย่างลึกซึ้งแล้วนก็เลยทำให้เกิดความแบ่งเขาแบ่งเราเกิดความทุกข์แต่พอเห็นความจริงในระดับพื้นฐานเนี่ยนะก็คือมันไม่มีอะไรเลยทุกคนเนี่ยไอ้ที่เหลือเป็นสมมติแต่ความจริงคือรูป ก, กับนามกายกับใจหรือขันท่า มันก็จะเห็นคนทุกคนเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปถึงสัตว์เนี่ยนะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะและขณะดเดียวกันนะเวลาเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับกายเนี่ยนะชเช่นกายเจ็บกายปวดกายเมือ่อยมันก็เป็นศักแต่ว่ากายเจ็บกายปวดกายเมือ่อยใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะมันไม่มีความรู้สึกสําคัญมากหมายว่ากูทุกข์กูเจ็บกูปวดกูเมือ่อนยะเวลาคนเราเวลาเจ็บปวด มันไม่ใช่เห็นว่าแค่กายปวดนะใจมันปวดไปด้วยเพราะว่ามันยังติดในสมมุติคือไปมีตัวกลัวว่าเป็นผู้ปวดนะอันนี้มันเป็นสมมุตินึ่งปรุงแต่งนะมันเป็นการปรุงแต่งที่สำคัญมั่นหมายขึ้นมาเอาเองแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจางขึ้นมาไอ้คําว่ากลัวปวดกลัวปวดกลัวทุกกลเป็นมะเร็งเนี่ยนะมันสร้างความทุกข์ใจกับผู้คนมาก กูไม่สวยกูแก่เนี่ยนมันก็สร้างความทุกอยาหผู้คนมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่อาการของกายความแก่ก็เป็นอาการของกายไอความสวยนี่ก็ล่วเป็นสมมตินะสวยในสมัยหนึ่งมันกลายเป็นอ้วนในสมัยนี้นะสวยสมัยนี้สมัยก่อนถือว่าผอมนะไม่น่านะไม่น่าชมอันนี้เป็นสมมตินะพอติดสมมติขําก็เลยถูกข พอเราติดสมมุติเนี่ยทำให้เราไม่เห็นความจริงนะเคยได้ยินสำนวนที่เขาพูดหมว่ า, ม อ, านะมองตุ๊กตามองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นยางจริงๆผ้าเนี่ยมันก็อยู่ต่อหน้าเราแต่คนเวลามอ ง, มองเนี่ยไม่เห็นผ้านะเห็นแต่เสื้อไอ้เสื้อนี่คือสมมุติไอ้ผ้านี่คือวัตถุ ด, ดิบนะ มองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นยางจริงๆตุ๊กตาก็คือยางนั่นแหละแต่พอไปติดกับสมมุติก็เห็นแต่ว่านี่คือตุ๊กตานะมองเสื้อไม่เห็นผ้ามองตุ๊กตาไม่เห็นยางมองคนไม่เห็นขันท่าเนี่ยนะถ้าเราเมื่อเมื่อตาที่เรามองคนแล้วเห็นขันท่าหรือมองคนแล้วเห็นรูปนามหรือมองมาที่ตัวเองเห็นรูปนามไม่มีกูเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงขั้นปรมาณ์นะมันไปพ้นสมมุติแล้ว การปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้เกิดความสงบนะสบายอย่างเดียวอันนั้นมันเป็นแค่ผลพลอยได้เนี่ยแต่สุดท้ายคือการเห็นกามีปัญญาเห็นความจริงนะว่าที่จริงแล้วนี่ตัวเราไม่มีนะมันมีแต่รูปกับนานมีแต่กากับใจมีขันธ์ห้าความเป็นคนไทยพมา่าโรฮิงญาพุทธอิสลามจริงก็สมมุติสุดท้ายก็มีแค่นี่แหละขันธ์หา สัตว์ก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันนะนะจึงมีคำพูดเนี่ยไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยจะเห็นตรงนี้ได้ก็เพราะมันได้เห็นความจริงเหมือนกับตาเอ็กซเรย์นะก็คือมองใครเนี่ยก็เห็นแต่ขันท่ามองคนนี้ก็ขันท่ามองคนนั้นก็ขันท่าเหมือนกับเอ็กซเรย์เนี่ยนะมันเอ็กซเรย์ใครมันก็เห็นแต่ตับปอดนะกกระดูกนะสมองหัวใจมันไม่เห็น ความเป็นคนไทยเป็นพุทธนะแต่พูกอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าว่า้สมมุติไม่สําคัญนะคนที่มีปัญญาก็เห็นทั้งสมมูลแล้วเห็นทั้งปรมามัตดด้วยนะแต่ว่าไม่ติดในสมมูลแล้วก็ไม่ได้คิดว่าสมมูลนี่มันเป็นความจริงขั้นสูงสุดพอเห็ความจริงขั้นปรมัตดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้อ่าไม่ไม่ถือเขาถือเราแล้วก็ไม่ยึดติดในสมมติจกนกระทั่งเป็นทุกข์เมื่อสมมูลมันแตกเปลี่ยนไป นะหาให้เห็นนะความเป็นมายาข้อจำกัดของสมมุตินะว่ามันมีโทษยังไงบ้างแล้วก็ใช้มันให้เป็นไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์เลยต้องใช้ให้ถูกมันก็จะเกิดประโยชน์เชา้าในวันทุนนี้ัรบร